ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7กรกฎาคม2552มีชื่อเรื่องว่ากรรมของพระมหาโมคคลานะในภาษานิน หลวงพ่อก็พยายามให้พระในวัดของหลวงพ่อพยายามอดนอนผอนอาหารทําความภาคความเพียรบําเพ็ญตระปะศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนําอบรมสั่งสอนมาแต่บางคนก็บอกว่าเอา้าทําไมจึงให้พระอดอาหารถ้าอดอาหารนั่นอพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บัญญัติได เอาไว้แล้วว่าอัตกิลมัทฐานุโยกการบําเพ็ญให้ลํำบากเปล่าการมสุขันลิกาคือทางสองสายบําเพ็ญคือสายหนึ่งคืว่าย่อหย่อนการมัชุขันลิกาคือการอยู่กินนอนตามปกติการมัชุขันลิกาอัตกิลมัทถาก็คือการบําเพ็ญ อดอาหารบ้างทรมานกายบ้าง อ, อย่างนี้แต่ว่าอัตชีเลมัถาไม่ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางบำเพ็ญให้สม่ำเสมอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแต่ว่าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเรา ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มักได้ผลได้รู้เห็นอัตธรรมท่านบอกว่าการบอมเพ็นเนี่ยโดยมากเราว่าสายกลางเนี่ยโดยมากมันหย่อนจนพอแรงแล้วมันหย่อนพอแรงแล้วแต่ว่าอัตกิลามัฐานน่คือทรมานกายอย่างพวก น, นิพนพวกออนอกศาสนาในครั้งพุทธกาลท่านทำตัวเหมือนชุนักบัง ทำตัวเดินจองย่องไปบ้างไม่จับอาหารมาทานด้วยมือบ้างเรียงกินบ้างกระแสอย่างนั้นคือหลายหลายอย่างคือทรมานกายตัวเองแต่ตามไม่จริงต้องให้ดูตัวเองการภาวนาแต่ว่าเราทานอาหารฉันอาหารให้เพียงพออุดมสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในการทานแล้วจิตใจเราเป็นยังไง จิตใจของเราเป็นยังไงเมื่อร่างกายของเราสมบูรณ์แต่โดยมากมันจะไปทางกามกิเลสไปทางกิเลสกามลาคะมันเอาไม่อยู่มันรั้งไม่อยู่มันมีจะคิดปรุงฟุ้งออกไปทางทางรักทางใคร่ถ้าว่าเราทานอาหารตามปกติเพราะนั้นท่านเรียกว่าให้อดนอนให้ทดลองผ่อนอาหารดูสิเหมือนกับช้าง ถ้าเปรียบเทียบเหมือนช้างถ้าช้างเราปล่อยให้มันทานอาหารตามปกติอารมณ์สมบูรณ์มากช้างมันตกมันฮช้างมันตกมันไปยังไงมันลืมเจ้าของมันเห็นเจ้าของมันลืมไปทั้งเจ้าของมันกระทึกไปทั้งเจ้าของฆ่าคนมากตัวมากเพราะเหตุใดเพราะช้างตกมันแต่นี้ใจของกายของเราก็เหมือนกันถ้าเราเลี้ยงดูมันดีเกินไปก็ร่างกายของเราเนี่ยมันทับผมทางจิตใจ มันไม่ฟังจิตใจจิตใจลังมาอยู่เพราะเหตุใดเพราะว่ า, าร่างกายมันสมบูรณ์เกินไปเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจะทรมานจะทํำยังไงจึงจะจับช้างให้อยู่อยู่ในกฎระเบียบอยู่ในคือความช้างจะให้เป็นยังไงท่านก็ต้องทรมานมันถึงมันอิ่มเกินไปก็ทําให้ มันพยองพองตัวมันลืมตัวมันลืมเจ้าของมันตกมันอย่างที่ว่าแต่เขาต้องให้งดอาหารมันมัดมันไว้ไม่ให้มันกินหญ้าไว้ให้มันกินน้ํำเวลาช้างตกมันเขาต้องมัดใส่ต้นไม้ให้แข็งแรงเอาไว้จนมันยอมเดินเข้าไปแล้วแบตะโกนเรียกมันเฮ้าเฮ้าทำอีกอย่างนึงว่าเรานะกูนะกูนะมึงจําได้ไหมกูนะฮะ ถ้าช้ามันกระทบหูไกวหางอะไรก็แสดงว่าเออมันรู้มันรู้ว่าเจ้าของมันถ้าเก็เข้าไปหามันได้เดี๋ยว่ามันหายตกมันแล้วแต่ถ้าว่ามันหูมันยังกลางตามันยังตั้งจ้องขขม็งอยู่ฮวงมันกับวนเข้าปากอยู่อย่าเข้าไปใกล้มันเลยนะนั่นนะถ้าขืนเข้าไปมันก็กระทืบเลยไม่ว่าใครทั้งหมดนะอันนี้ว่าช้างตกมันอันนี้ก็เหมือนกันน่ะ ร่างกายของเราถ้าหากว่าสมบูรณ์จนเกินไปก็ลักษณะอย่างนั้นพอนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อัดได้ทำท่านว่าให้อดนอนผ่อนอาหารเนอทดลองหนซิมันถูกกับจริตไหมแต่บางองค์ก็อดนอนโอ้ไม่ได้เออบางทีอดนอนไม่ได้เพราะอดนอนเข้าไปแผ่นดินเหลืองไปหมดไม่ถูกกับจดิตไปนั่งที่ไหนมี ส, สัตว์สงบง ก, ง, กง่วงมันง่วงเกินไป คิดอะไรก็ไม่ออกเอออันนี้ไปว่าไม่ถูกกับจริตนะทดลองอดอาหารดูสิผ่อนอาหารดูสิทดลองพรอะกก่อ น, อนแต่ก่อนวันนี้ฉันขนาดนี้เยวันต่อมาอีกฉันลดลงและเป็นยังไงดูจิตใจของเราเป็นยังไงเออถ้าอาหารไม่ทบไม่ทบับร่างกายใจของเราก็ปอดโปร่งคิดอะไรคิดอะไรออกไม่งอกไม่ง่ว ง, ง, วงแต่เราฉันอาหารมากเกินไปพอ หนังท้องตึงเท่านั้นน่ะนังตาก็ย่อนมันมิแต่อยากจะหลับเพราะเหตุใดเพราะมันทานอาหารมากเกินไปออันนี้เราก็ต้องพยายามผ่อนอาหารเออถ้าผ่อนอาหารแล้วยังไม่เพียงพอมันยังห่วงอยู่เอาอดอาหารทดลองเลยสิแล้วพออดอาหารวันสองวันดูแต่ก็สังเกตตัวเองการอดอาหารก็ดีการผ่อนอาหารก็ดีการอดนอนก็ดีไม่ใช่ว่าจะทําให้ตัวเองทนทุกข์ทรมานให้ตัวเองตายเพียงแต่ว่า ให้สังเกตแหมเหมือนกับเราไปทํามาค้าขายนั่นแหลอการทําทมาค้าขายของเราทําอย่างนี้เป็นยังไงได้กําไรไหมขาดทุนไหมแหม่ไม่ใช่ว่าเคยทำอย่างไงก็ทําชื่อบือ่อซื่อบื่อขาดทุ น, ทนกําไรก็ไม่ได้สนใจกลัวมันจะขาดกลัว ม, มันจะไม่ถูกแหอ่ทำอย่างเก่าอย่างนั้นแปลว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าชื่อบือ่อว่างั้นแหละแหมไม่ได้สังเกตตัวเองแต่ถ้าสังเกตตัวเองแล้ว เราต้องค้าขายอย่างนี้เป็ดยังไงกําไรยังไงทําเลที่เป็ดยังไงคนมาซื้อเวลาไหนต้องสังเกตทั้งหมดอ น, นั้นเปลว่าแม่ค้าพ่อค้ารอบครอบรู้จักการสถานที่บุคคลรู้จักตัวเองแต่ถ้าว่าไม่ได้สังเกตขนาดนั้นแะ่ะเป็นพ่อค้าทีไม่สมบูรณ์ว่ากานพูดง่ายๆนะอันนี้เหมือนกันพระของเราก็เหมือนกัน ที่ครูบาจา์ให้อดนอนผ่อนอาหารนะให้เล็งความภาคความเพียร น, นะนั่งความภาวนานัน่งพยายามนั่งให้นานบังคับตัวเองให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอาณาปานาสติให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะแต่ว่าพวกเราพยายามทำอย่างนั้นได้โดยสม่าเสมอพยายามทำให้ติดต่อ การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปทําแบบรุ่มรุ่มดอนดอนถ้าวันนี้ก็ทําก็ทําจนไม่รู้จักจุดจักจ้อนพอหายทำแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจอะไรอย่างนั้นไม่ได้มันไม่สืบเนื่องถ้าว่าเราสืบเนื่องก็ต้องในการทําก็ทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่ อ, อ, อพิจารณาไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยปรับปรุงไปเรื่อยผลที่สุด สิ่งที่ขาดตกปกพ่องมันก็เต็มตื่นขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆฮะจากนั้นจะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะพระใหม่ที่มาบวชในพุทธศาสนาเรามาบวชในครั้งนี้เรามาบวชเพื่ออะไรเราคิดดีแล้วพ่อแม่ก็อยากจะให้พวกเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแต่พวกเราก็ ที่เขามาบวชเราก็เห็นด้วย อ, อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามายากลำบากเราก็ควรจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเพื่อทดแทนพระคุณ อ, อ, อย่างน้อยก็เพื่อจะ ใ, ให้ท่านตีอกตีใจสบายอกสบายใจออได้พวกเราได้มาบวชในพุทธศาสนาท่านก็ดีใจจริงๆนั่นแหละพวกเราได้มาบวชนะแต่ถึงยังไงดีใจในระดับหนึ่งถ้าว่าลูกของเราลูกของท่าน เข้ามาบวชแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติป ฏ, ตตำำ ป, ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนแลไม่สร้างปัญหาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมวินยัยให้เข้ากับหมู่พวกเพื่อนได้พวกเพื่อนเป็นที่ยอมรับยกย่องสรรเสริญพ่อแม่ก็ยิ่งดีอกดีใจเพราะเหตุใดเพราะว่าลูกของท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นพวกเราที่เข้ามาบวชในครั้งนี้ถึงยังไงก็อย่าให้ขาดตกปกคล้องในการเป็นอยู่ เราบวชเพียงสามเดือนเราก็รู้แก่ใจแล้วเราเข้ามาบวชแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยอยู่ในกฎกระเบียบพระทุกองตั้งแต่ผมเป็นต้นไปผมก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นของผมไม่ใช่พระพุทธศาสนาเป็นของพระพุทธเจ้าเราทุกองค์เข้ามาบวชก็คือเข้ามาอยู่ในร่มเงาผ้ากาสาวะพัต เป็นลูกของพระพุทธเจ้าสากยาบุตรเสมอกันหมดนะเขาว่าเป็นลูกเสมอกันหมดแต่เพียงแต่ว่าลูกคนหัวปีลูกคนรองอลูกคนสุดท้องลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่ลูกคนหัวปีได้รับการศึกษาหลักพระธรรมวินยัยได้รับการศึกษาจากรุ่นพี่เข้าใจในหลักพระธรรมวินยัยก็พยายามมาแนะนํารุ่นน้องลงไปอีก ในต่อไปภายภาคหน้ารุ่นพี่อย่างผมเนี่ยก็แก่เท่าชะลาไป เ, าเดี๋ยวนี้ผมก็หกสิบห้าปีแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จุดปีไหนล่ะผมก็คงจะหยุดในการพูดในการอบรมก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายที่จะยึดแนวแถวทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสั่งสอนของพระแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําอย่างผมแนะนําพวกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้แหละพวกท่านทั้งหลายก็จะได้นำํำทำคําสั่งสอนประยุกษ์ ของครูบาอาจารย์บั้งประยุกต์หลักพระธรรมวินัยบั้งประยุกต์ในสิ่งที่ได้พบได้เจอได้เห็นที่จะเป็นทางที่ถูกต้องบั้งก็สอนพวกน้องๆต่อไปอีกแล้วกัพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็สอนต่อไปอีกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแก่ยวกสาวกในยุคนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีโมกคาราสาลีบุตรพระอานนท์จากนั้นก็ท่านเหล่านั้นก็สอน ต่อๆกันมาจนถึงพวกเราท่นทั้งหลายเพราะนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหน้าที่และเป็นของพวกเราทุกๆกคนทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาคูเหมือนกันเราเป็นพุทธบริษัทเรานับถือเกื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานั้นล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลท่านว่ากลั ม, มก็เป็นกลัมจริงๆปัจจุบันนะักกลัมนะอย่าทำนะ อดีตกลัมนะอดีตกลัมคือคือกลัมในอดีตทำกลัมไว้ไม่ดีบางท่านบางคนก็ในปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเป็นผู้ทำกลัมดีแต่ว่าทำไปแล้วก็ดูดูแล้วมันกดกดกดหุ้นห้วนมันไม่เจริญมีแต่เรื่องมีแต่เราเกิดขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่ในชาตินี้เขาก็ทำกลัมดีเพราะพระศาสนาท่านพูดไ้แล้วท่านบอกว่า คนเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่จะทํากรรมดีอย่างเดียวมันทํามีกรรมชั่วด้วยปอยนั้นชาติที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่จะทําแต่กรรมดีอย่างเดียวเราทํากรรมชั่วด้วยแต่บางคนทํากรรมชั่วเกิดมาชาตินี้ทํากรรมชั่วสิ่งที่เขาห้ามทำหมดฆ่าชัตตชีวิตกินเหล้าเมายาเสี่ยงสมทะเลเทเมา อ, อะไรทำหมดแต่เขาก็จเจริญเจริญเขาไม่เห็น ความหายยนะเขาก็พูดได้เห็นไหมคนที่เขาวัดเขาวายสมาทานรักษาศีลเขาไม่เห็นเจริญเหมือนกับเราานหน้าที่การงานของเราหลุดหน้าไปเรื่อยอันนี้เขาก็คุยได้เพราะเหตุใดเพราะว่ากรรมดีของเขายังให้ผลอยู่กรรมในอดีตของเขาให้ผลอยู่กรรมชั่วที่เขาทำในเดียวนั้นยังไม่ให้ผลคือกรรมดีของเขายังป้องไว้อยู่กั้นไว้อยู่เหมือนกับรั้วเนี่ย เขาคนมีแต่ความเจริญแต่เมื่อหมดกรรมดีของเขาที่ให้ผลในอดีตชาติที่แล้วให้ผลมาหมดแล้วบนี้ไปกรรมชั่วที่ทําในชาตินี้ให้ผลต่อไปนีนั่นแหละเขาก็ร้องโหม่ร้องให้ทนทุกทรมานอเขาบอกโอ้ผมเกิดมาชาตินี้ผมทําไมถึงทําแต่กรรมดีแต่ทําไมผมจึงได้รับกรรมชั่วเพราะเหตุไรนี่นั่นแหละเพราะตัวเองทําชาติที่แล้ว อันนี้แต่นวัดอดีตกลั่มฮะอย่างพระโมกขรารท่านเป็นเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าใครจะคิดว่าโจรจะฆ่าท่านเน่เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากเป็นที่ยอมรับของผู้คนอีกต่างหากเป็นที่เทิดทูนบูชาอีกต่างหากแต่ว่าคนที่ไม่เคารพนับถือเลื่อมใสมันก็มีนะะเพราะเห็นโดดเด่นเกินไปฮะอย่างที่คนในเมืองไทยเขาว่านะ ใครใครก็ไม่อยากจะเห็นเราเด่นเกินไม่มีใครอยากจะเห็นเราเด่นเกินเขาอันนี้คนนอกศาสนาในยุคสมัยนั้นเขาก็บอกว่านี่ที่พระพุทธเจ้าเด่นดังเพราะพระโมกคาลาไปสู่สวรรค์อไปเห็นสวรรค์ลงมาแล้วก็มาบอกมนุษย์บอกสัตว์สวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอแล้วกัคนที่ตายไปแล้วน่ะเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะทั้งที่พระโมคขาลาไม่รู้เขาเลยคนที่ตายไปอแต่เขาไปบอกบนสวรรค์มาบอกให้ญาติพี่น้องเขา เขาก็นับถือเลื่อมใสออในพระพุทธศาสนาว่าท่านพโมกคาราเนี่ยไปบอกบอกนากล่าวท่านไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็นํำมาบอกให้แก่พวกญาติพี่น้องของผู้ที่ตายไปแล้วฟังได้เออทนี้พวกนอกศาสนาเขาว่า อ, อ่าถ้าว่าพวกเราไม่จัดการกับโมกคาราเจ น, น่ไม่ตัดแขนตัดขาพระส ม, มณโครมใช่แล้วนะ่ะลาบสั ก, กร ะ, ะของพวกเราคงจะล่อยหอลงไป นี่แหละแต่นี้เขาก็ลงขันกันท่นีองแอบพวกนิครนพวกนอกศาสนาในยุคสมัยนั้นเขาก็ลงขันกันจ้างพวกโจรห้าร้อยไปล้อมกุฏิพระโมกคลาพระโมกคลาท่านก็มันมีฤทธิ์มีเดช ท, ท่านเอ๊ะทำไมเขามารอมเขาลุมเข้าไปในกุฏิของท่านกลางคืนท่านก็เหาะไปทางหน้าต่างสักพระมีฤทธิ์เนี่ยเขาก็หาไม่เจอแล้วก็ต่อม้อีก เห็นท <formation> ่านก็เข er <rocket> ้าไปในกุฏิอีกเขาก็ลุมเข้าไปอีกอล้อมอีกตึกสังกัดพอได้เวลาเขาลุมเข้าไปอีกท่านก็เหาะนี้อีกนะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามท่านเอ๊ะทำไมเรามีกล้ำอะไรหนอกับพวกนี้นะเขาทําไมจึงผูกอาฆาตเราท่านก็ย้อนดูในอดีตชาติของท่านเออในอดีตชาติอท่านในชาติหนึงท่านเป็นลูกแต่พ่อแม่ของท่านตาบอด ท่านมีลูกชายอยู่คนเดียวพ่อแม่ตาบอดพ่อแม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ตาบอดต่อมาท่านเป็นหนุ่มขึ้นมาท่านก็หาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทนีพอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เสร็จแล้วพ่อแม่โอ้ลูกควรจะหาพันญาให้แก่ลูกลูกแต่งงานจะเพราะว่าจะได้ลูกสบายมาเลี้ยงดูนในลูกทำทั้งนอกบ้านทำทั้งในบ้าน ไปทำไร่ทำนามาเสร็จแล้วก็ต้องมาหนึ่งข่าวมาปัดกวาดทำความสะอาดบ้านอีกเป็นภาระตาว่าลูกแต่งงานซาักแล้วก็ไปทำงานทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านลลูกสบัยก็เป็นผู้ดูแลให้คงจะดีพ่อแม่ก็เลยไปบอกกล่าวก็เลยเอาหาคนในสกุลเสมอกันนะเลยแต่งงานกัน แต่งานก็ให้มามาให้ลูกชายนะแต่ลูกสะพ้ยเนะี่ยไม่ถูกกับพ่อปู่แม่ย่าที่นี่นั่นแหละพอมาอยู่ด้วยพ่อโมกขลาท่านก็ไปทําการทํางานกลับมาเหน็ดเหนื่อยอามาท่านก็ใหม่ๆก็ดีต่อมาเกลียดชังขึ้นพ่อปู่แม่ย่าขึ้นเรื่อยๆก็หาเรื่องสพ่อปู่แม่ย่าเลยทีนี้เอามาเห็นสิเห็นไหนะอพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยแย่มากเลยนะแสับสอว่างั้นะ แอบสับสอสามีของตนเอ ง, งสับสอพระโมกคลาว่าพ่อแม่ของคุณนะ่ะปู่ย่าเนี่ยดูดูแลแต่และวีแต่และวันนี่มิตรธรรมเปื่อนเปื่อเลอะเทอะไปหมดนะพระโมคขลาก็เฉยเฉยก็ไม่ทําอะไรเพราะคนตาบอดเลจะทํำยังไงได้บางทีก็อาจจะทําหกทําหล่นไปบ้างอันนี้ก็คือฝ่ายพระโมกคลานะที่เป็นหนุ่มแต่ปัญญาเนี่ยลุกขึ้นไปเรื่อยทีนี้ เอผลที่สู่ไปต้มข้าวมาแล้วก็ลาดเทราดพื้นเถอพอเทราดพื้นกลับมาโอโ้โหเปิ่นเปื่อ เ, เลอะเทอะไปหมดทางแฟนของเขาก็บอกวันนี่นะแพ่อแม่ของเจ้านี่นะปู่ย่าเนี่ยทุกวันค่อยทําความสะอาดหมดแต่วันเนี้ไม่ได้ทําำเห็นไหมเพื่ออยากจะให้เจ้าเห็นเกคยไม่ได้ทําความสะอาดอย่างนี้นะ่ะทุกวันเลยจะให้ค่อยอยู่กับเจ้าได้ยังไง ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะยนพโมกขาลาก็ขาดความสำนึกที่นี่ขาดความนึกคิดคิดว่าพ่อแม่ตัวเองนี่เอออารวาสลุกลุ่ลังขนาดนั้นก็เทน้ําำพวกข้าวต้มอะไรเกินไปหมดที่บ้านของตัวเองโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวละวนันเออโมกขาลาเกิอารมณ์วูบขึ้นหน้าทีเดียวเลยงั่ น, นมีแต่เอาไปโหดอย่างเดียวเอาไปฆ่าอย่างเดียวรักษาอย่างนั้นนะ่ะ เนี่ยพอะอารมณ์ชั่ววูบว่างั้นแะจากนั้นก็เรียกว่าพ่อพอพี่น้องเขาอยากจะพบคุณพ่อคุณแม่น่าจะไปไหมผมจะพาไปพอแม่นี่ก็เนียคิดถึงพี่น้องอยู่แล้วเออก็ดีลูกพาพ่อแม่ไปด้วยฮะพมโมกขลากิหารอเกวียนมาเลยเกิดล้อของของตัวเองเนี่ะพอขึ้นเสร็จแล้วก็พ่อกขาแม่ขึ้นบนบนเกวียนเสร็จแล้วก็พโมกขลากิดขับล้อออกไปนอก เมืองเลยว่างั้นเถะนะพอขับออกไปนอกเมืองเท่านั้นแหละท่านก็ไปถึงจุดแล้วพ่อเอาพาเกวียนไปนะเดี๋ยวผมขอขอเข้าไปถ่ายอุจจาระซะก่อนอยงั้นลักษณะอย่างงั้นแหละเดี๋ยวให้พ่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะตามไปพอที่นี้พ่อก็จับได้เชือกเกวียนมันก็นเดินบวกล้อมันก็นเดินตามทางไปพออีกสักทักหนึ่งพระโมกกลาไปอยู่ข้างหน้าทำท่าขูขึ้นมาเลยท่านี่ อครูขึ้นมาเอ๊สองตายายมึงไปยังไงมาไงมึงเอางัวมาให้โก้ลักษณะนะั้นเลยจะป้นเขาเปลี่ยนเสียงใหม่ว่างั้นแต่ผลที่สุดก็เลยแต่ตำราหนึ่งเขาว่าไม่ได้ฆ่านะพีนแต่ขู่เฉยแต่ตำราหนึ่งว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่จริงๆนะในพระไตรปิฎกแต่เราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตำราสองเล่มหนึ่งออันไหนเล่มไหนจะเท็จจะจริงว่างั้นแต่แต่ตำราหนึ่งหว่านได้ฆ่าแต่ตำราหนึ่งว่า พอพ่อแม่ร้องโอ้ยโมกผูกโมกคลาเอ้ยลูกเอ้ยไอ้โจนมาพ้นพ่อแม่ให้หนีให้ห่างหนีให้ไกลถ้าลูกเอ้ยพ่อแม่ยังคิดถึงลู ก, กว่างั้นให้หลบให้หลี ก, กว่งั้นแบบโมกคลาก็เลยใจอ่อนไม่ได้ฆ่าวงั้นอันนี้ตำราหนึ่งนะแต่ตำราหนึ่งบอกว่าถึงพ่อแม่จะเรียกร้องขนาดนั้นก็เถอะแต่โมกคลาเนี่ยไอ้คิดว่าจะาฆ่าแล้วก็ต้องฆ่าไนงะโมกคลาแตเด็กฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วจากนั้นก็ฝังไว้ในป่า เนี่ยฝังไปในป่าเสร็จแล้วก็เอากลับคืนมาเนี่ยนี่แหละอันนี้คือกล้ำของพระโมกขลาท่านก็ระลึกย้อนหลังได้โอชาตินั้นเป็นชาติที่เราทํากล้ำหนักที่สุดได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะเพราะนั้นเราจะไม่หนีท่านก็นั่งจุกปุกอยู่ในกุฏิของท่านจากนั้นโจรเข้ามาในครั้งที่สามก็เห็นท่านนั่งอยู่ในกุฏิ โอ้นีได้อยู่นี่เขาก็เลยคอ้อนใครคอร้อนเราก็หลุมทุบเลยองั้นแหอท่านก็ให้เขาทุบเพราะว่าท่านเป็นกลัมกลัมของท่านท่านหนีกลัมท่านหนีไม่ออกหนีกลัมหนีกลัมคือการกระทําำหนีไม่ออก น, นี่แหละอันนี้ก็คือบาปกลัมของท่านพระโมกคลาอดีต ก, กลัมของท่านน ะ, ะแต่แต่ว่า อยังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะแต่เรื่องนี้อาจจะคนปลําปราลาเขียนก็ได้นะแห่งคนปลาําปลาลาแต่ไม่มาในพระไตรปิฎกนะแต่ก็เป็นนิทานที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นนิทานที่น่าคิดเพราะว่ามีสองตายายคนหนึ่งตาบอดเหมือนกแต่ตาบอ ด, บอดพอตาบอดแล้วที่นี้ก็พอต่อมาก็มีลูกชายคนเดียวอีกเหมือนกันนะนะั่นแ่ะ มีลูกชายอยู่คนหนึ่งเพราะนั้นเด็กเลี้ยงลูกมาจนโตแล้วก็แต่งงานออกมาลูกชายก็มีลูกอีกคนหนึ่งทีนี้ก็ให้แฟนตัวเองเป็นผู้เป็นผู้ดูแลพ่อแม่ต่อมาอีกพ่อพ่อแม่อยู่ในบ้านแม่ก็เลยตายพ่อแม่ตายยังเหลือแต่พ่อย พอต่อมาพ่อเป็นอามาพึกอามาพาดอีกจะไงนอนอยู่กับที่และกับเมียตัวเองเป็นผู้ดูแลตัวเองก็ไปทามาหากินทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนแล้วก็เอามาเมียเขาตัวเองดูแลดูแลปู่ของตนเองดูแลพ่อผัวเหงั้นกัะแต่เมียเขาก็ไม่ว่าอะไระเขาก็ดูแลอย่างดีนั่นแหละแต่พอลูกชายนี่เห็นทีไร oh. พ่อเนี่ย ตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายรออักษาไม่ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเนี่ยผอมลงเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ตายนอนหามขี่หามเยี่ยวอยู่ตลอดถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ตายจะดีกว่านะตีตายดีกว่าอยู่ไม่น่าจะอยู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยเอาไปตายจะดีกว่าไม่ควรจะอยู่จูก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรไร้ค่าไร้ประโยชน์จริงๆถ้าอยู่ลักษณะอย่างนี้ คิดกันกลองอยู่ในใจอย่างนั้นเถอะแต่ก็ไม่ได้พูดให้เมียฟังไม่ได้พูดให้ลูกฟังอย่างนั้นเถอะแต่คิดจะอยู่ในใจวันหนึ่งมันเหลืออดเหลือทนเถอะนีต่ตาแก่ก็เลยไปสารตาข้าขึ้นมาสารตาข้าขึ้นมาใบวักใจอย่างนั้นแต่สำหรับที่จะใส่คนได้แล้วอ่างั้นเถ อ, อะจากนั้นจะมีหูสองข้างเตรียมไม้คานไว้อย่างดีอย่างนั้นเถะ แต่ลูกชายเนี่ยก็กำลังเป็นหนุ่มเหมือนกันนะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าว่างั้นเถอะเป็นหนุ่มขึ้นมาก็เลยวันหนึ่งก็เลยเออเหลืออดเหลือทนแล้วว่างั้นเถอะคิดว่าหาหาช่วงที่ฝนตกหนักๆเพราะว่างั้นเถอะวันไหนคืนไหนที่ฝนตกหนักๆน้ำในคลองเนี่ยว่าน้ำอย่างลำลางของเราเกน็น้ำขึ้นลำลางเนี่ยว่างั้นเถอะ อ, อม่ ล, ล้าของเราเหมือนกับ น, น้ำขึ้นลำลางของเรามันไหลอย่างแรงเนางกานแต่จะหาคืนจังหวะอย่างนั้นแหละตอนนี้นก็ฝนก็ตกอย่างที่ว่านี่ยน้ําก็ขึ้นเต็มที่ล่ะก็เลยเรียกลูกชายวันนั้นโลกอย่าไปไหนนะวันนี้นะอยู่บ้านนะพ่อมีธุระลูกชายก็เห็นพ่อขึงขังเหมือนอืพ่อคงจะมีธุระท่านจึงพูดเข้มแข็งขนาดนี้ลูกชายก็ครับพ่อ แต่ในะลูกชายก็อยู่เอออยู่พอดึกส ง, งัดประมาณสักห้าหกทุ่มมันไม่มีคนเลยท่นี่ปอดคนแล้วว่างั้นเถอะคนก็นอนหลับหมดแล้วผู้บ้านนอกนี่ก็เลยบอกลูกมาหนิลูกชายลูกชายก็เดินมาโอ้ทําไมพ่อจึงสั่งเข้มแข็งเหลือเกินวันนี้ว่างั้นน่ะเอบพอเสร็จแล้วกับเอาตะกร้ามาเถอะพ่อเอาตะกร้ามากับไม้คานหามมามาวางไว้ข้างๆโถน ที่เป็นอมภพอมภาตส่วนเมียตัวเองก็คงจะไปหานอนแล้วเขาไม่รู้เรื่องแล้วงั้นก็เลยบอกกับลูกว่านีนะปู่ของแกเนี่ยพ่อว่าถึงจะอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่เป็นวันวันเป็นภาระของพวกเราอีกต่างหากจะไปทำมาหากินที่ไหนก็ไม่ได้เป็นห่วงจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเนี่ยพ่อว่าตายที่ดีกว่าไปหาม อทีแรกก็ไม่ได้สั่งอย่างนี้หรอกเพราะ ง, งั้นไปหามาาาทางพ่อเนี่ก็กอดทางยกทางลักแล้วเพะงั้นให้ลูกให้หลานเนี่ก็จับทางขาเพะ้แล้วก็เอาม้วนลงไปในตะก้าไปนั้นแหละเ า, า ง, งั้นะพอตะก้าไปนั้นพอเสร็จแล้วก็พ่อก็เอาไม้สอดแล้วเพรงั้นสอดหูตะก้าเสร็จแล้วก็าหามแต่คนผอมอยู่แล้ว่ะหามสองมันก็จะเป็นหนักหนาอะไรใช่ไหมล่ะหาม พ่อก็เดินก่อนลูกชายก็เดินตามหลังเนะอี่ยแอพ่อเดินตามหลังลูกชายไปก่อนพ่อก็บอกเอาไปทางโน้นนะไปทางนี้นะลูกชายก็เดินนำหน้าเหมือนกนะันพ่อก็เดินตามหลังไปพอไปถึงสะพานทเลยสะพานสมัยนั้นก็งคงจะเป็นสะพานไม้มนะั้งน้ําก็ไหลอยูพดพ ด, พดมาน้ําไหลน้ำไหลน้ำนองกันนะ่ะไหลมาจากเขาอ่ะก็เลยบอกว่านี่นะลูกชาย ปู่ของแกนี่นะตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หาย เ, าเป็นภาระของพวกเราอย่างหนักมาตั้งหลายปีพ่อคิดว่าถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายดีกว่ า, เ, าเพราะนั้นเราคิดว่าหามโยนพ่อโยนปูนลงในคลองสักให้ตายไปซักให้จบไปพวกเราก็จะได้ท่านก็จะท่านก็จะได้หมดเวรหมดกรรมท่านหมด ภาระของท่านท่านก็คงจะจะตายเมื่อนะ่ะอพ่อคิดว่าโยนลงไปแล้วก็ให้ท่านไปสนะัก เ, เราก็หมดเวรหมดกรรมกับท่านอีกต่างหากะท่านก็หมดเวรหมดกรรมในถัดในขันในร่างกายของท่านต่างหากพ่อวานหน้าจะเอาลงเนี่ยให้จบไปเลยถางลูกชายจะยืนนิ่งเนี่ยเอาคุณพ่อจะจะโยนทั้งตะกร้าด้วยเหร อ, เ, อเรื่องโดยเราจะยกตะปูลงไปเราจะยกตะปูลงไปหรือว่าคุณพ่อจะให้โยนทั้งตะกร้าลงไป อ้าวจะเก็บไว้ทาไมตะกานะกรก็โยนทั้งหมดนะทั้งตะการนะถ้าเผื่อต่อไปภายภาคหน้าผมคิดว่าถ้าคุณพ่อเป็นอมภพึกอย่างปูเนะี่ยอมาพาดอย่างปูเนะี่ยผมคิดว่าจะเอาตะกาใบนี้เนะี่ยจะหามคุณพ่อมาโยนลงใ น, ในคลองนี้อีกว่างั้นผมคิดว่าจะเก็บไว้ตะการใบนี้เพื่อพ่อเป็นอมภพึกอมภพาดผมจะได้ ไม่ต้องหาตะ ก, ก้ายากจะได้เอาตะ ก, ก้าไปนี่หามพ่อมาโยนลงที่นี่อีกเหมื่อนั้นลูกชายเขาพูดแบบซื้อๆว่างั้นะพ่อนี่พอได้ยินอย่างนั้นอึง้งเลยว่าเงี้ อ, อจุดโพดนิ่งเลยปะปะปะปะหามกลับหามกลับเอาทําไมจึงให้หามกลับลราพ่อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกลัมตามสนอ ง, งนนเลยนะเดี๋ยวกลัมตามสนองถ้าขืนทิ้งปูนะ แลูกคุณจะประหาทิ้งเราลงในในคลองอีกอย่างเก่าเนี่แหละเขาก็เลยได้หามกลับยังไม่ได้ขา่ามกันแเนี่เรียกว่ากรรมมุนีนาววัตตตีโลโกโน้นี่ยถ้าว่าตัวเองทํากรรมไว้ไม่ดีกรรมไม่ดีมันจะต้องตามสนองนะเอนี่แหละเพราะนั้นอย่าทํากรรมชั่วกรรมชั่วแล้วจะต้องตามสนองกรรมมุนีนาวัตตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้ ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลเป็นในทางที่ดีนะอย่างพระโมครานี่แน่นอนอนัมาในพระไตรปิฎกท่านได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านนะท่านก็ได้รับผลในอดีตกรรมของท่านนะแต่ปัจจุบันนกรรมมีไหมพวกเราก็อยากจะถามอีกเหมือนกันนะปัจจุบันนกรรมมีไหมในหลักพระไตรปิฎกมีนะพระไตรปิฎกมี มีพระองค์หนึ่งเป็นพระป่าไปเที่ยวทุดงอยู่ในป่าพอไปไปเที่ยวทุดงในป่าจากนั้นวันหนึ่งท่านก็เดินออกมาจากในป่ามาจากในถ้าว่าไงั้นนะเพื่อมาบินทบาทในหมู่บ้านแต่ในหมู่บ้านนะั้นมีพรานมีพรานหมาว่าไงั้นนะมีพรานหมาคือตอนเช้าเนี่ยก็จะออกมีหน้าไม้มีธนูแล้วก็นมีหมาเป็นฝูงว่าไงจ้นะอมีหมาเป็นฝูง เออโดยมากเอาหมาเนะ่ะอาศัยกินกับหมาวางั้นน่ะอหมาพาไปไปเห็นเก้งเห็นกวางเห็นเต่าเห็นตะกวดอหมาบนั้นอีเห็นมันมันจะไล่เหมือนกันด่ะเออทีนี้ก็มันวิ่งขึ้นต้นไม้กต่ธ น, น, นูเนี่ยอาบด้วยยาพิษยิงเหมือนกันดอะนั่นอนะ่ะเป็นอาชีพของนายพรานหมามั่งกันดนะ่ะทีนี้ก็วันนั้นก็เดินออกไปพาหมาออกไปแต่เช้ากัน ก็ไปสวนทางกับพระที่เดินมาทางบินธบาตมาท่านบินท่านกําลังจะออกมาจากป่าจากที่พักของท่านเพื่อจะเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านพ่านป่าคนเนี้ยผ่านหมาคนนี้ไปเห็นพระโอ้วันนี้เห็นส ม, มณะหัวโลนแล้วตายแหละขี้ขแขนแขงแล้ววันนี้อาเพศอาฐันเห็นพระหาอะไรไม่ได้ไม่ได้แน่แล้ววันนี้คงจะไม่ได้สัตว์แล้วคงจะไม่เจอสัตว์ตัวไหนละ โดยมากถ้าเห็นพระเอีสัมมนาอย่างนี้แล้วหมดละ ว, วันนี้ไม่ได้อะไรแล้วคือคล้ายๆกับเขาก็ท้อใจเหมือนกันว่างั้นปะพอเห็นพระเวลาจะออกไปหากินอย่างงั้นไปเห็นพระม่างั้นเถะเนีจะไม่ได้ฆ่าแล้วว่างั้นเ่อะเอีเพราะสัมมนาที่เป็นภูมิมีเมตตายอยู่ในจิตในใจเอพรานนี่ไปว่าฆ่าลูกเดียววงั้นเถอะแต่พระเนี่ยมีแต่เมตตาว่างั้นเ่อะแต่มาเจอกันน่เออ พานเขายอมแพ้หมดพระอง์นี่ต้องมีเมตตาอเราคงหาเนื้อหาอะไรไม่ได้วันนี้เลยตอนนี้ตาแก่ก็ไปหาจริงๆหาก็ไม่ได้จริงๆเหมือนกันอ่นนะอาจจะเป็นเพราะมันไม่ประสบมันอาจจะไม่เกี่ยวกับพระก็ได้เหมือนกั น, น่ะ่แต่วันนั้นมันเป็นจบบหมที่ว่ามันหาไม่เจอเหงือนกันหาไม่ได้เหมือนกั น, น, น, นแ่ะทนนี้กับพานตอนนี้นกับโมโหอยู่ในใจเมื่อเช้าเราคิดแล้ว ว่าจะต้องเห็นพระหเห็นพระองค์นั้นมามันค ง, งขี้ขแหนงอย่างที่วานนะนะคงอาเภศอาทั น, น่ยมันก็จริงอย่างที่เราคิดไว้นี่นะไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไยท่านไดก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาก็มาสวนกับพระอีกเนี่ยพระองค์นั้นก็ปินธบาตได้แล้วท่านก็เดินกลับมาหาที่พักของท่านท่านจะมาภาวนาที่ท่านของท่านอีกนะ ท่านกับนายพรานก็เห็นอย่างนั้นขึ้นมาโมโหในใจว่าเงั้ยแต่ก็ยุหมาใส่ได้แต่นี่ยยุหมาหมาพรานของเขาเนี่ยคือหมาเนี่ยถ้ายุอะไรมันกัดทั้งนั้นเ้อเพราะมันหมาพรานเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ยุใส่หมาโอ๊โอ๊ะโอ๊ะเนีชี้ใส่ชี้ใส่พระองค์นั้นหมามันก็ลงมาพอลงมาที่พระองค์นั้นก็เห็นหมามาลุมาตุ้มมาเห่าเข้ามาใกล้ท่านก็ปีนขึ้นต้นไม้ทีนี่อ คือในพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหมาจะไล่กัดก็ให้หนีพ้นพ้นหมากัดถ้าช้างไล่มาก็ให้หนีพ้นช้างถ้าเสือไล่ก็ให้หนีพ้นเสือเหมือนันเะขนาดไหนให้หนีขนาดนั้นแต่อย่าไปขึ้นเกินห้ามขึ้นต้นไม้สูงจนเกินไปอย่างนี้แหละท่นี้ท่านก็เห็นหมาไล่ท่านท่านก็เลยปีนขึ้นต้นไม้ให้พ้นหมากัดเหมือนกัน พอขึ้นก็คงจะต้นไม้ไม่ใหญ่เท่าไหร่จิ่นายพานก็มึนึกโมโหอยู่แล้วอถึงนายก็จะฆ่าพระอยู่แล้วงั้นเถอะแต่นี้่เอาลูกธนูของตอนเองเลมแหลมๆนะ่ปๆนะปลายแหลมๆ่ะเอไปแทงเท้าของท่านท่านเหยียบกิ่งไม้นะเนี่ยขึ้นไปก็จะเอาลูกศรเขาตัวเองนะแทงเท้าของพระปลายแหลมๆพอแทงขึ้นไปผ้าต้องเจ็บๆด้วยสียงพอแทงเท้าขึ้นแต่ยกขานี้ขึ้น พอยักต้ขาอันนี้ขึ้นเอาขานั้นลงแทงขานั้นอีกยกขานี้ขึ้นเออพระที่ท่านอยู่ข้างบนแต่ถ้าว่าองค์จะปีนสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คงจะมันก็คงจะเอาธนูยิงนะ่ะเพราะมันโมโหนะเออเอามั น, ม, นมันโมโหให้แก่พระเหมืนน่ะพรานคนนั้นผลที่สุดพผ้าองคนั้นก็ mm hmm. เขาเอาไม้แหลมแหลมเน่ยลูกธนูแทงอย่าเอาไปมากับผ้ามันก็ มนเจ็บใช่ ม, มันก็นหลุดลุ่ยแล้วผ้าจีวรผืนบักใหญ่น่ะเออมันก็นหลุดลุ่ยลงมาพอหลุดปดลงมาทีนี้ผ้าจีวรก็ค่มหัวในพานพอดีเลยว่างั้นจ้ะนี่แหละเออข่อมหัวในพานพอดีหมาก็เห็นว่าพระตกจากต้นไม้ทีนี้เอหมาน่ะมันคิดว่าคนตกเนี่ยพระตกจากต้นไม้แหละผ้าค่อมค่มหัวในพานแหลยผ้าจีวรมาคลุมลงมาว่างัน หมากำลุมกัดแนบบ้านเนี่ยกัดในพานไว้เออไล่ทอะไรก็นมาเมืกัดตอนกัดแข่งก่นนะกัดผลลัพธสุดว้ยมันกกัดกินจนในพานพอกัดกินหมาเป็นสิบตัวเนี่ยพอกินเสร็จแล้วมันมองขึ้นไปข้างบนไปก็เห็นพระยืนอยู่ต้นไม้ทีนี่เออพยนต้นไม้บอกโอ้ตายเรากินเจ้าของเสร็จแล้วมันก็คงจะคิดอย่างนั้นเถิดหมาไอ้พระท่านก็เห็นไอ้ ใก้นี้นะมึงมาอยู่ทําไมเนี่ยมึงกินอะไรเนี่ยมันเห็นมองขึ้นไปข้างบนเห็นพระเนี่ยมันไม่มีเจ้าของไม่มีชื่อพี่พึ่งเนี่ยหมาไม่มีที่พึ่งกับต่างตัวต่างไปอะไรเงี้ยเปิดแหนบเลยนายพานคนนั้นก็มีแต่โครงกระดูกโวงั้นเนี่ยหมาลุมกิ น, นเหมงานแน่หมาเจ้าของกินเจ้าของนเรงือนพระองค์นั้นก็ไม่สบายใจโอ้พระจีวรเราคลุมลงไปเอออันนี้ จะจัดว่าเราฆ่าคนหรือเปล่านะท่านเขาไม่สบายใจท่านก็กลับไปหาที่พักเสร็จแล้วท่านก็นรีบออกจากที่นั่นอีกเหมือนกันนะ่ะอไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขานข้าพระองค์ไปเที่ยวทุดงไปก็ไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อแล้วก็หมากินอย่างนี้ข้าพระองค์จะเป็นอบัตปาราชิกไหมเพราะว่า ที่ว่าเจตนาฆ่าคนอื่นให้ตายแต่ข้าพระองค์ไม่มีเจตนาแต่ผ้าจีวอนของข้าพระองค์มันหล่นลงไปมันไปนคุมเออหัวนายพรานใช่ไหมหมาก็ลยกัดกินเจ้าของมันก็เลยตายไงพระพุทธองค์บ่าไม่เป็นอาบัติเพราะเราไม่มีเจตนาจะให้ผ้าลงไปคุมเขาอ่าเนี่แหละพระพุทธองค์ก็บอกว่านั่นน่ะนายพรานนั้นเขาเป็นผู้มีบาปกรำให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นถึงตัวไงคือจะอยังจะทําคนอื่นให้เป็นทุกข์อยจะเบียดเบียนคนอื่นเขา แ, แต่กรัมที่เราเบียดเบียนคนอื่นเขานั้นนั่นแห ะ, ะกรัมตัวนั้นมาถึงตัวเองนั่นแะหล ะ, ะพระพุทธเจ้าทั้งว่านิทานหรือ ว, ว่าเรื่องนี่สอนพวกเราให้รู้ว่าอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาถ้าเราไปขืนเบียดเบียนเขาคนอื่นเขา เขาไม่เบียดเบียนตอบกลัมนั้นจะตามสนองกลับมาหาตัวเองเหมือนกับพลานคนนั้นเ่ะเบียดเปลียนพระสงฆ์นี่แหละอันนี้พระพุทธองค์บอกว่านี่แหละปัจจุบันนักกรัมกรัมการกระทำในปัจจุบันผลในใ ห, ให้ให้โทษในปัจจุบันเพราะทำกลัมทำกลัมหนักเจตนาไม่ดีเลยอยากจะฆ่าพระอยากจะให้พระตกลงมาจากต้นไม้อยากจะให้หมากัดหมากัดพระว่า ง, งั้นะ แต่ตัวเองก็เลยแทนพระไปซะนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องกลัมกลัมคือการกระทำทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างพระโมกขรารในท่านอนดีตกรัมให้ผล อ, อ, อย่างที่พานหมาเนี่ยอันนี้ว่าปัจจุบันนกกรมกรัมในปัจจุบันให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตัวนะ เ, เพราะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุ ท, พทธมารมกษ ให้คิดไปอยู่เสมอว่ากรรมคือการกระทานั้นอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราไปทำแล้วกรรมมุนีนาวัตตีโลโกโนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้ในหลักของพุทธศาสนาอย่างท้ายพระปฏิโมกที่พวกเราได้สวดในวันนี้ก็ว่าอากตังลุกตังเสืยโยปัจฉาตปิทุกตังกรรมชั่วอย่าทาเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะนั้นะถ้าว่าเราทำกรรมสิ่งไหนไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามสนองอันนี้ก็คือหลักการเป็นอยู่ด้วยกันของมวลมนุษย์ชาติแต่ถึงยังไงก็ตามเราจะหาความสุขได้ที่ไหนในเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเนี่ยความสุขที่แท้จริงของคนนั้นคืออะไรนี่อันนี้เราให้้นควาศึกษาเ่หลักของพุทธศาสนา มันหาไม่เจอความสุขที่แท้จริงเราหาที่ไหนหาที่ว่ามีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขในโลกเหอผลที่สุดอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายหนีจากโลกโทษมหันทุกมหันจะต้องเข้ามาหาสู่เราไร้อยู่เพราะฉะนั้นผูใ้ใดเจ้าจังว่าความสุขที่แท้จริงให้หาให้ค้นหาในความบริสุทธิ์ จะทำยังไงใจของเราจึงจะบริสุทธิ์ให้ได้ที่จะทำใจให้บริสุทธิ์นั้นนอกจากศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่มีทางอื่นนะเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนมักแปดมักคะคือปฏิปทาพาเครื่องดำเนินไปสู่ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นคือปัญญานะปัญญาและก็ศีลสมาธินะ ที่จะกาจัดกิเลสภายในใจของพวกเราออกไปได้เพราะนั้นพวกเราได้มาศึกษาในครั้งนี้ก็คือศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราเชื่อแล้วว่ากรรมคือการกระทำอย่างที่ ห, หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานั้นอันนั้นการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติพวกเราเกิดมาแล้วถ้าเราทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะต้องตามสนองและก็ความสุขของมนุษย์นั่งอยู่ที่ไหน มันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราให้ศึกษาให้ค้นคว้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันอยู่ที่ใจต้องทำสมาธินะสมาธิคือทาพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วนำจิตใจที่สงบนั้นแหละนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลค้นคว้ า, าให้เห็น ร่างกายของเราเนะี่มีอะไรบ้างที่นี่นั่นในหลักของพุทธศาสนาให้ใช้ปัญญาแล้วนะที่นี้นะให้ค้นคว้าศึกษาร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างพวกสอนพระใหม่เกซาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้คือพระอุปชาท่านให้กรรมาฐานเบื้องแรกนะแต่ที่นี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนมากกว่านั้นอีกที่นี อท่านสอนว่ามังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของอสุพะปฏิกูลถึงเราจะเลี้ยงขนาดไหนก็ถเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่อใจของเราจะเลี้ยงร่างกายดูแลดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่เป็นมิตรไม่เป็นสหายไม่เป็นเพื่อนของใจเลยถึงจะเลี้ยงเอ ชโลมด้วยน้ำอบน้ำหอมอาหงอาหารการบริโภคให้พักผ่อนเต็มที่รักษาขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังแก่และก็ตายในที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถาว่าอย่าไว้ใจในร่างกายนะใจนะพวกท่านทั้งหลายนะอย่าไว้ใจในร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี้แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละท่านให้ใช้ปัญญาที่นี่ ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไข่ควรทบทวนคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้ใจหลงกายนามธรรมไม่ให้หลงกายนามธรรมไม่ให้หลงรูปธรรมฮะใจไม่ให้หลงกายให้รู้เท่ารู้ทันว่าร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนหาร่างกายนี่ก็จะต้องตายในที่สุดไม่เป็นอย่างอื่นไม่เกินร้อยปีร้อยปีนั้นก็หมดสภาพแล้วเอหมดสภาพแล้วร่างกายร้อยปี ที่พอที่จะช่วยตนเองได้กว่าเจดแปดสิบปีนก็เต็มทนแล้วถึงร้อยปีแปลว่าหมดสภาพเพราะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าจึงสอนว่าให้ดูให้ดออูอย่าหลงร่างกายให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลาย อนิพพ hm ิธาคือความเบื่อหน่ายให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรามีแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟแล้วจะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราได้อย่างไรเมื่อไม่ยึดร่างกายของตัวเองว่าเป็นของเราแล้วจะไปยึดร่างกายคนอื่นอย่างไรอย่าไปยึดทรัพย์สมบัติยึดฐานบรรดาศักดิ์เงินคำทรัพย์สมบัติของในโลกว่าเป็นตัวเองได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไร ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปยึดจริงภายนอกว่าเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้แหละคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักท่านสอนเข้ามาหาใจทั้งนั้นทีนี้ก็พอค้นไปศึกษาไปความสุขอยู่ที่ไหนอย่างที่ว่าทีนี้แมมันก็อยู่ที่การปล่อยวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนี่แหละคือความสุขแต่ทีนี้เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำใจให้เป็นกลางใจไม่กระเพื่อมใจสแตนด์ตากเลยใจไม่เกิดสนิมบางั้านแต่ใจเป็นทองธรรมชาติร้อยเปอร์เซเป็นทองบริสุทธิ100์ร้อเปอร์เซตใจบริสุทธิ100์ร้อปอร์เซใจเป็นออกจากการยึดครองของกิเลสใจออกจากโลกดึงดูดโลกป็นดึงดูดใจใจเป็นอิสระเอ นี่แหละอันนี้แหละอยากจะให้พวกเราค้นคว้าศึกษาดูจุดนี้ถ้าเมื่อเราทําได้อย่างนั้นน่ะเป็นบรมสุขคำว่านิพพานังปรามังสุขขังน่ะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนย์ยังนิพพานศูนย์เนี่ยศูนย์คือศูนย์ที่ใจของเราไม่คล่องไม่แวะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันศูนย์หมดศูนย์เชื้อศูนย์ที่จะทําให้จิตใจของเรา วันไหวไควแกวงมันศูนย์หมดแล้วสิ่งเหล่านั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันศูนย์พันไปแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ท่านจวัดนิพพานังปร r a m a สุขขังมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเข้ามาก่อกวนมันก็นกนกนกนมีแต่ความสุขเนีเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนมีแต่การเป็นอยู่ด้วยกันการเป็นอยู่ อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้น เ, เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการ เ, าเป็นอยู่หรืเอเรื่องอนิทานในปัจจุบันนิทานปลัมปร า, านิทานปลัมปลาเกิดนี่แหละพ่อกับลูกที่จะหามพ่อไปทิ้งเราพิจารณาดูสิมันจริงอย่างนั้นจริงๆนะถ้าว่าเราทำอะไรให้ลูกดูนะสอนลูกไปในทางที่ไม่ดี มันก็จะเอาวิชาตัว น, นั้นมาเล่นงานกับเราอีกถ้าว่าเราสอนดีเขาจะนำสิ่งที่ดีมาให้เราเพราะนั้นเราควรจะนำสิ่งที่ดีสอนคู่สอนคนสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปสอนเขาถ้าสอนไปแล้วที่เราไปสอนไปนั้น่ะมันจะย้อนจะทอนย้อนกลับมาหาเราอีกนะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวได้พูด กล่าวสมโภชนิยกถาให้เป็นเครื่องชี้นําชี้แนะเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดจรู้วันเดือน6กเพนจากนั้นก็ได้มาโปรโดปัญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอิสิ ป, ปัตนมิขทายวันในวันนี้จากนั้นท่านก็ได้เทศอบรมสัง่งสอนพระปัญจวัคคีทั้งห้าพระปัญจวัคคีทั้งห้า มีพระอัญญาโกณธัญยะเป็นผู้ใหญ่ในห้าองค์นั้นท่านได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันอ่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจอ่าได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าได้สําเร็จพระโสดาบันในวันนี้จากนั้นไปท่าทั้งข้ออบรมแนะนําสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้งสี่ท่านแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ด้วยกันทั้งหมด วันนี้เป็นวันสมบูรณ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกคือวันนี้วันอัสสรหบูชาคือวันนี้เพราะนั้นพวกเราได้มาถึงวันนี้เป็นเวลามาถึงสมัยนี่ก็ 2,552 ปีนะ 2,552 ปีปีนี้ที่พระพุทธเจ้าบัติขึ้นในโลกเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีเด่น เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจสังสมคุณงามความดีไปเรื่อยแต่ใหม่ๆเราเกิดมาใหม่เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เรียนรู้เราก็ว่าตโมตะมะปรายโนถ้าว่าเราเรามืดมาตโมตะมะปรายโนเราจะมืดไปเหรอตโมตะมะปรายโนตโมตะมะแปลว่า มืดมาแล้วก็มืดไปอันนี้ไม่ดีนะตะโมตะมะปรายโนโชโตนะิเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มเรามีหน้าที่การงานการศึกษาเราก็ศึกษาแต่ทอ น, นี้พอเป็นผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วเราได้เรียนได้ศึกษาได้ไตรตรองเหตุและผลตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาอันนี้บอกว่าโชโติปรายโนฮะอันนี้แปลว่า ถูกต้องนะแต่บางท่านบางคนพอเกิดมาแล้วก็เออได้รับการแนะนําสั่งสอนจากพ่อจากแมออ่จากนั้นก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาออตาสว่างมาแต่เป็นเด็กโชติปรายโนโชติอันนี้เป็นว่าแปลว่าเป็นผู้โชคดีออสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่บางคนนะ่ยตโมตมะปรายโนตโมตมะออพอเกิดมาแล้วก็มืดบอดแล้วก็ ถึงจะใครแนะนำสั่งสอนยังไงก็ไม่เอาทั้งนั้นาตายแบบมืดบอดไปอีกเอออันนี้แปลว่าเกิดมาแล้วเสียท่าเสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีมืดมาแล้วก็มืดไปพวกเราท่านทั้งหลายไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะศึกษ า, าควรจะหาเหตุผลพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงศีลมีคุณค่ายางไรสมาธิมีคุณค่ายางไร ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นท่านสั่งสอนเรื่องอะไร เ, เราควรจะศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ได้แนวทางเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษานั่นแหละจึงจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาแล้วจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดได้อย่างไรไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ หลวงพ่อเปรียบเทียบเด็กมาเกิดมาใหม่จับยัดเข้าหลอดแก้วไวส้สิจากนั้นก็เลี้ยงในหลอดแก้วไม่ต้องพูดภาษา้ม่ฟังมีแต่ให้อาหารให้น้ำให้อาหารเออยู่ในหลอดแก้วนะั่นแะอยู่ในมุมของเขานะพอใหญ่ขึ้นมาเต็มที่เราไปถามเลยสิมันจะฉลาดไหมมันฉลาดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่ามันไม่ได้รับการศึกษาพวกเราที่เฉลียวฉลาดทุกวันนี้ เพราะได้รับการศึกษาจากพ่อจากแม่จากนั้นก็ส่งเข้าหลงลาโรงเรียนส่งเข้ามหาวิทยาลัยจากนั้นกับพวกเราก็ได้มาศึกษาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกได้รับความรู้ความฉลาดจากนั้นก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกเห็นเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาอีกนั่นแหละพวกเราจรึงเป็นผู้รอบคอบจะเฉลียฉลาดได้ต้องเป็นผู้อาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษานะ